สุขความเจริญจะมีท่านสาธุชนทั้งหลายประสุนในวันนี้จะได้พูดเรื่องอุปโภเสทตศูตรคือสูตร ท, ที่ว่าด้วยการรักษาุโบสดแต่ทตนนี้สืบเนื่องมาจากบมงก่อนไนไปที่ต่างจังหวัดก็มีบาศิกาท่านมาคุยด้วยหลายท่านรักษาโโบสด พอสอบถามเรื่องโบสดปรากฏว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยองค์ของศีลั่นก็ไม่เข้าใจว่าการรักษาศาีลยังไงว่าขาดแต่ไม่ขาดแต่เป็นการปฏิบัติที่ทำตามกันมาแต่ก็น่าเป็นห่วงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่น่าเกิดหรอกแต่อาจจะเป็นเพราะว่า พระไม่ได้บอกกล่าวชี้แจงให้เกิดความเข้าใจเพราะเกรงใจโยมตำนองได้แค่กระยาปากคอบโยมเองก็ไม่ยอมสอบถามเคยถามวาติกาในที่หนึ่งถึงศีลให้แปลศีลดูปรากฏว่าแปลไม่ได้เลยก็รักษาตาบกันไปบนเรื่อง ปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันต้องสึบเนื่องมาจากปริยัติหรือจะต้องศึกษาเรียนด้วยเกิดความเข้าใจไปก่อนแต่เมื่าไง้เาก็ทำไปถู่นองคล้ายๆกันหรจะเดินทางไปในสถานที่ใดมันก็ต้องมีแผนที่ในการเดินทางนั่นเองรีบระการหนึ่งก็มีคราวๆปัญหาที่เกี่ยวกับ อุปศบาสิการเขาเรียกว่ากรรมการกับวัดนะฮะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอะไรตาอด น, นี้คือมีการพูดกันมาในประสูนยนี้จะให้แนวทั้งสองแนวคือแนวที่เป็นธรรมปฏิบัติในเรื่องของบูชุแล้วก็แนวที่เป็นบุคคลซึ่งใกล้ชิดสนิทสนมกับวัดมากนั่นคือนางวิสาขามีใจความโดยสรุปว่า เมือ่อพระเจ้าประทับอยู่ที่บุพารามมันเป็นอารามของนางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าในการขายเครื่องประดับชิวรดามาประสาทได้ยี่สิบเจ็ดโกรธแล้วสร้างเป็นบุพารามพระเจ้ามาเสด็จประทับอยู่ถึงหกปีในสถานที่นั้นประสาทที่สร้างถวายนั้นจุพระเป็นพันนะนะนุ่ลใหญ่มากๆ ราอยู่ได้เป็นพันๆตามปกติแล้วนาวอิสาขากับท่านนาทบินดีกาศเศษธีนั้นท่านจะท้อนภาพชัดมากแล้วมีพระเจ้ามานามอีกรูปหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่ภาพค่อนข้างชัดนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าบุญเจ้าประทับที่ประเชตวันถึงสิบเก้าปีที่บุภารามถึงหกปี แล้วก็นี่ครูธรามนั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่นับเป็นปีทมให้เรารู้ปฏิปทาการในบัตตนขท่านทั้งสามนี้ชัดเจนนะฮะว่าท่านมีบตตนของท่านอย่างไงอย่าได้เคยบอกว่านางวิสาขาหมาขงปัสิกาเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับลูกสาวคนโตของพระพุทธเจ้าคือท่านเอาเป็นภารัธุระไปหมดอ่ะในเรื่องราวของวัดเนี่ย เชาก็ถึงเย็นก็ถึงนะฮะไปวัดวันละสองครั้งก็วัดก็อยู่ใกล้บ้านเวลาไปในตอนเช้านอกจากจะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วยังต้องเที่ยวดูแลพระเนรตามกุฏิต่างๆเรือนครังที่เก็บอาหารมีปัญหาเรื่องเรือนครังอะไรบ้างขาดแคลนอะไรบ้างนัางก็ต้องไปตรวจสอบดู ไปสู่สำเนินรูปาดเจ็บไข้ไม่สบายมีหมอมาดูแลรักษาและหรือยังถ้ายังไม่มาก็จัดการหาให้เดี๋ยวผไปเห็นปัญหาบางอย่างแต่แทนที่จะไปสั่งการเป็นสมผานนอกวัดนะฮะไปสั่งการไปสั่งการไปในวัดเป็นสมผานนอกวัดเนี่ยคือท่านจะนำปัญหาเหล่านี้ไปทูลพระพุทธเจ้าเดี๋ยวขอพร ขอพอรพระพุทธเจ้าขอพุทธานุญาตนะะว่าจะขอทําตรงนี้ทําตรงนี้นะถ้าทรงประทานพุทธานุญาตแล้วพระเจ้าก็จะนําวิชาขาวก็จะไปดาเนินการเรื่องแบบนั้นแต่ลวกก็ปู่ตานะฮะตาของท่านคือท่านเบตจกาศเศรษฐีเพราะในวินัยเราจึงพบว่าไอ้ความคลี่คลายของวินัยที่ทรงปฏิบัติทรงบัญญัติในครั้งแรกนี่มันมันก็น ง, งดมากอ่ะคือเนืกิมันจะอยู่ได้อย่างไง หรือท่านลองนึกดูว่าการเกิดของประสงค์ถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพที่น่ากลัวมากระหว่างท่านเหล่านั้นนะ น, นะว่ามาขอบวชป่พระพุทธเจ้าพระเจ้าเองก็อยู่ในป่าแสถานที่จะอยู่จะชันจะอะไรไม่มีอะไรเลยที่อยู่ก็ไม่มีปัจจัยสี่นี้ไม่มีเลยนะฮะจะเห็นว่าปัจจัยสี่นี้ไม่มีเป็นชีวิตที่เสี่ยงมาก ปวดแล้วพอจบไปนอนที่ไหนนั่งที่ไหนนี่ไม่มีสมัยที่มีกุติจารย์อยู่สมัยนั้นมันไม่มีอะไรเลยแต่ก็รูปแบบชีวิตเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาระบบบัญญัติศของวินัยบางทีก็แรงเพราะปฏิบัติอย่างเงี้ยลำบากมันจะไปได้ยังไงเพราะนาวิสาขากับท่านเมนากะเสรษฐีเนี่ยพอเห็นมีมีปัญหาจะขออนุญาต ขอพอรพระพุทธเจ้าว่าตรงนี้ขออย่างนี้เถอะเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระก็มีครองผ้าสามผืนจริงๆไอ้สามผืนมันก็มีปัญหานาวิสาขาก็ขอพอรว่าขอให้มีผ้าผืนที่สีเ่เถอะขอให้มีผ้าอาบน้ําฝนนายพระสมบัมีผ้าอาบน้ำํำไปใช้ในกิจการอาบนาำและกิจการ อ, าอื่นๆพระเดินทางใครเดินไปบนเส้นทางมันไม่ใช่สมัยนี้นะฮะ สมัยนี้ยังไงยังไงก็เดินไปก็เจอญาติโยมที่เป็นพูดได้แต่สมัยนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนี่ยศาสนาพดทธเพิ่งเกิดมาคนส่วนใหญ่มันนับถือศาสนาอื่นแลวีน้ำทราพย์ยังถูกเบียดเบียนด้วยนังวิชาขาก็ขอขอภพรเพื่อให้พระดัานมีเครื่องเดินทางเตรียมที่เดินทางเอาพระป่วย พ่อแม่อยู่ที่เมืองไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครดูแลนักศากษาก็ขอปอดนะขอให้เบริรโรการญาติโยมถวายอาหารบำรุงพระที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยอะที่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่นาวศสาขาท่านเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ว่าไม่ได้ทำโดยพารการนะฮะไม่มีอะไรที่ทำโดยพ า, าร์ตการยินดีว่าจะนำข้อมูลต่งตางๆไปกราบทูล ขอประธานพุทธานุญาตเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทานพุทานุญาตท่านก็ปฏิบัติไปตามนั้นแต่ให้ความสะดวกสบายอะไรๆต่างๆในหมู่พระสงฆ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นในสองตาหลาตังเนี้ยนาิสาขากับท่านเวนิกาเศรษฐีส่วนทต้นาตาบินิกาเศรษฐีนั้นไม่ค่อยกล้ารบกวนพระพุทธเจ้าคือท่านท่านุถนอมพระพุทธเจ้ามากกลัวพระพุทธเจ้าจะเหนื่อยกลัวจะลําบากถามปัญหายังไม่เคยถามนะฮะ เปาต่้งช้าตั้งเย็นเหมือนกันแตไม่เคยถามปัหาเราพระพุทธเจ้าโดยท่านมีความคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ทละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าทละเอียดอ่อนการะมาเสียเวลามานั่งสอนเรามานั่งแนะนําเรานี่จะลําบากเลยไม่การหลวงแต่จากจุดนี้เองทําให้ท่านได้ควาเทศมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าต้องเทศพิเศษทุกครั้งนาฏบินิกาข้าวๆเนี่ยก็จะจะเทศธรรมะประโรกธรรมะให้ฟังทุกครั้ง แต่ข้อที่น่าสังเกตลึกซึ้งลงไปก็คือว่าธรรมะที่แสดงแก่ท่านทั้งสองนี้แม้ท่านจะเป็นพระยาบุคคลระดับสูตราวุธ น, นั้นจะไม่เกินพรมจะไม่เกินฌานนะฮะความจะไม่เกินฌานไม่ขึ้นถึงวิปัสสนาไม่มีคําสอนระดับวิปัสสนาจะสอนระดับศีลกับระดับธรรมะคือระดับสมาธิเป็นอย่างมากและนากวิสาขาเองก็เพิ่งเจอประสูนย์นี้นะที่สอนถึงพรมไม่เคยเจอว่าสอนถึงขนาดนั้น จะสอนระดับศีลธรรมจัญญาอยู่ในกรอบของกุศลกขบถสิบเป็นธรรมะภาคปฏิบัติในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปเพราะนาวิสาขาจึงกลายเป็นแบบเป็นมหาบาสิกามาฐานนะฮะมายควาว่าเกณฑ์มาฐานนี่ก็อยู่ที่ที่นางวิสาขาซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในทิศถกที่ทรงแสดงในแนวทิศถกไว้ก็คือแสดงเมตตา ตอบรับพิสุสา ม, มเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ตาทางกายไม่ตาทางวาจาไม่ตาทางใจแล้วก็มีความพร้อมมีความยินดีที่จะอุปาปธรรมตามกาลังศรัทธาแต่นางวิสาขาท่านรวยนะทะดนนั้นมมีปัญหาอะไรแล้วก็เมือ่อเมื่อท่านมาเยี่ยมมาเยือนก็พร้อมที่จะต้อนรับ พร้อมจะ ต, ะ ต, ะตะนุบำรุงโดยจะตุปเจตแต่พื้นฐานสำคัญเนี่ยพื้นฐานสำคัญคือมีความเมตตาต่อพระภิกษุสามเณรก็บอกเวลาท่านมาตอนเย็นๆพระเล็กเนนน้อยก็ขิวนะก็จะมองดูมือนาวิสาขานวิสาขาจะต้องมีของติดมือมาตลอดมาดูแลพระเล็กเนนน้อยทั้งหลายเพื่อไม่ให้เกิดหิวเกิดความลาบา ก, กจะดูแลก็ทาทาตัวเนี่ย หมายความมาคล้ายๆกับเป็นพี่ของพระภิกษุสามเณรแล้วก็เป็ น, เ ป, นเป็นลูกคนโตของพุทธเจ้าในส่วนที่เกี่ยวกับเพื่อนพุทธศาสนิกชนก็เป็นแบบของบุคคลที่ได้รับยอมรับนะว่าเป็นคนสิริมงคล มาความงานในกรุงสาวัตถีจะใหญ่โตยังไงก็ตานะถ้าไม่มีนางวิสาขากับอนาถบินจะกระเศรษฐอยู่ในงานนั้นถือว่าเป็นงานไม่มีเกียรติจริงแต่ถ้าคนสองคนนี้ไปแม่งานไม่ใหญ่ก็ถือว่าเรื่องใหญ่เป็นสิริมงคลแก่คนเรนั้นคือท่านจะทำตัวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยจะไม่ไปไปอะไรเขาแต่ชวนนะชวน ชวนไปไปดูกันไหมไปลองฟังเทศกันไหมอ่ไปเยี่ยมวัดกันไหมอะไรแต่อะไรก็ชวนไปแล้วก็ใช้ความคุ้นเคยการที่ไปพบเห็นบ่อยๆนั่นเองก็เป็นเครื่องมือดึงคนลดนั้นแล้วก็บางทีก็เป๋ไปเปมานะเพื่อนเขาท่านก็เป๋ไปเปมาก็ <S <S าไม่ว่าอะไรกันอย่างในคราวหนึ่งพเพื่อนก็ท่านชวนกันไปจนถึงขนาดรักษาโบสถแล้วนะฮะรักษาโบสถแต่ ตอนไปก็นาวิสาขาก็ดีอยู่มานาวิสาขาไม่ได้ไปด้วยปรากฏว่าเป็นงานนักขัตฤกษ์ท่านเหล่านั้นแอบซ่อนสุราไว้ในในเสือ้อผ้าผมอ่ะผูจุดแ ข, ขกมันก็ซ่อนได้เยอะนะก็ฟ <c oughs> ังๆฟังๆเทศอยู่เกินนึกอยากดื่มสุราในวันนักขัตฤกษ์ก็ดื่มกันไปดื่มเรื่อยๆนะดื่มทีละอึกสองอึกตอนต้นๆมั น, น, นมก็ไม่เคยมีอะไร หรือไปดื่มมาชักเมานะชักเมาก็ท่าทางก็ผิดปกติจนในที่สุดมันลุกขึ้นไรดำกันเลยตอนตอบพระภาคพระพุทธเจ้ามันมากๆกันนะั่นน่ะก็พุทธเจ้าต้องเห็นแปลกเอ้มันเรื่องอะไรก็ทรงรู้ด้วยประยานก็ทรงบรรดานในพุทธานุภาพให้ตัว น, นั้นมันมืดหมดมืดหมดคนนี้ก็ตกใจสว่างสว่างมันกลับมืดแต่แล้วก็จะมีลําแสงพุ่งออกมา เป็นจำันรังสีพุ่งออกมาเป็นลำแสงแล้วก็รับสั่งเป็นพุทธภาสิทธิ์ที่ไพเราะนะและที่จริงมันมันเหมาะสมยุคสมัยนี้ได้ตามไปแล้วสั่งว่าโกนหาโสกิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันตการเรณโอนนาปฏีปังนาคเวสตะเตอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่ในมรรกสันนิวาสนี้มันลุกโผล่อยู่เป็นนิดเธอที่ถูก ความมือทุ่มบ่อเอาไว้เนี่ยทําไมจึงไม่หาประชีพเป็นเครื่องสองทางในการดําเนินชีวิตนี้เป็นการจะท้อนภาพโลกนะฮะที่เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงกันโดยไม่มีการบัญญบรร ญ, ญัตภาพมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นอย่างนี้ใหญ่มาออกมาในรูปของการถูกเพลิงของกิเลสเพลิงราคะเพลิงโทสะเพลิงโมหะเพะิงริษยาผลานกันยุ่งไปหมดไม่ได้สงบเงียบ ตอนี้เป็นเพระอะไรพระจิตใจนั้นถูกปิดบังด้วยอวิชชามันมีความมืดบอดอยู่ภายในจิตใจแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ได้เข้าใจตัวเองอยู่ในที่มืดจึงไม่ได้คิดที่จะหาแสงสวา่างก็เข้าใจตัวเองอยู่ในท่ามกลางแสงสวา่างอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะหาแสงสวา่างเป็นการกระตุกอย่างแรงนะให้คนเหล่านั้นได้เกิดคิดแล้วก็สลดใจหนะ้าหาย หาจากการเมาสุราเลยนั่นคือเราจะเห็นในอย่างหนึ่งก็คือพุทธวิธีพุทธวิธีบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้ต้องใช้แนวที่เรียกว่ากำราบซะก่อ น, นคือก็น้องไม่เล่นนะมนเมาเหล้าหน้าเราพักเราพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแั้วก็ต้องใช้วิธีการกำราบอย่างแรกคือให้เกิดความตกใจกลัวเกิดความสะดุ้ง อาการเมาล่ากกอหายสติสามัญญาคก็คืนมาแต่บางทีท่านก็ชวนเพื่อนไปกระสาวโบสดเนี่ยไปชวนนะฮะชวนนรกสาวโบสดคือพระอริยบุคคลระดับโสดา บ, บันเนี่ยพื้นฐานของท่านเป็นศีลห้าไม่ยาศีลแปดท่านก็กินข้าวเย็นนี่แหละแต่ว่าถ้าจะสมาทานโบสตสมาทานบสดที่จริงไม่สมาทานก็ เ, เรียกอัติฐานบสด แต่โบสดเช่นวันนี้เป็นวันโบสดของเราก็อธิษฐานารักษาโบสดโบสดเป็นการรักษาสั้นๆนะฮะวันหนึ่งก็คือหนึ่งที่จริงไม่ครบยี่สี่ชั่วโมงดีอะ่ะตอนสมาทานสีเนี่ยที่โบสถ์วัดประวัก็ประมาณก็สี่โมงเช้าแล้ววันนั้นมันก็หายไปทั้งสามสี่ชั่วโมงแล้วรักษาก็พอรุ่งอรุณมาก็มันก็ดื่มกินอะไรดื่มพวกอาหารได้แล้ว ก็เรียกว่ากรมาทั้งยี่สบชั่วโมงขตันเองแต่า ก, การฝึกปลือตัวเองดัดตันดานตัวเองแล้วก็ฝึกควบคุมตัวเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นการประพฤติที่ประเสริฐพอต้องเอาชนะใจตัวเองบอสมควรโดยเฉพาะเรื่องขิวเรื่องข้อวิการเนี่ยจะกลายไปเรื่องใหญ่ท่านชวนเพื่อนไปสมทานโมดสด จะลองคุยดูความคิดว่ามันทําโดยเหตุผลอะไรเพรากฏว่ามันไม่ได้ข้อยุติถามเด็กสาวสาวรักษาโบสถ์ทำอะไรบอกว่าต้องการจะได้ไปสู่สกุลสามีตั้งแต่ยังไม่เป็นสาวแก่ไอคนนี้แต่งงานแล้วถามรักษาโบสถ์ศีลทําไมต้องการจะมีลูกชายโวปีปที่มีลูกแล้วถามรักษาศีลโบสถทําไม ก, ก, กต็ต้องการอยากให้สามีมีเมียน้อยไอ้คนแก่แล้วถามารักษาศีลบริสุทธิไมต้องการจะตายไปแล้วไปวังเกิดในสุกติเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าความคิดมันเกี่ยวเกาะโดยพบแล้วเป็นเป็นเป็นแบบโลกโลกอย่างเคยยกย ก, ยกตัวอย่างพื้นฐานความคิดของตัวพรนะฮะตัวพรยกตัวอย่างมาพรนางุทดีกับพรของ พระเจาพิมพ์ิสารที่ขอพอรอธิษฐานในต่างขอพอรข้อนางพุทธดีทั้งสิบข้อนะท่านจะว่าท่านจะประรบตัวเองอยู่ทั้งหมดทั้ง9้าข้อมันก็ต้องการลูกชายเป็นคนดีอยู่เพียงข้อเดียวแต่นั้นเองเขาพระเจ้พิมพิสารนั้นมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อประโยชน์แก่การเป็นปราชาเพียงข้อเดียวแต่นอกนั้นจะมุ่งไปถูมรรคผลนิพพานก็เป็นการวัดพื้นฐานทางใจของคน เพราะในการกระทำความดีนั้นมีพื้นฐานจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันสามประเภทแรกเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวกันต้องการแต่งงานตั้งแต่ยังสาวๆต้องการมีลูกชายวัปีต้องการให้แม่สามีมีเมียน้อยก็แสดงว่าเป็นการทำเพื่อเพื่อชีวิตปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองจิตใจก็ไม่ค่อยประนีตอะไรเท่าไหร่หรอกฮะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำประเภทที่สี่ก็ยังเกี่ยวกัอด้วยพบหรือต้องการจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์แต่ยงไงก็ตามนะับก็ดีเพียงแต่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเกณฑ์วัดขึ้นไปโดยดำลำดับเพราะลักษณะของนางวิสาขาจึงกลายเป็นแบบเป็นแบบเป็นวิถีชีวิตที่ สังคมไทยเรานั้นยัอนสมัยมาอยู่ต่างจังหวัดจะเอาเรื่องของท่านประเทศบ่อยเรียกว่าขันหมากปฐมกือแนวขันหมากปฐมเพราะว่าในในดีลาชีวิตในประวัติชีวิตของท่านเนี่ยมันมันมีอะไรอยู่เยอะที่น่าศึกษามากๆนะฮะน่าศึกษามากๆเป็นชีวิตตัวอย่างเป็นคนตัวอย่างไม่ว่าแนวคิดในความเป็นลูกในความเป็นพัญญาในความเป็นอุบาสิกาในความเป็นเพื่อน ในความเป็นคนนะฮะในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าถึงน่าศึกษาแล้วน่าอ่านนะนะฮะก็แต่จริงก็น่ารวบรวมเป็นเล่มเอาไว้ในที่เดียวกันเพราะว่างานของท่านอยู่กระจายอยู่กระจายอยู่ในที่ต่างๆมากไม่ได้รวมไว้ในที่เดียวเป็นเป็นเป็นการสะท้อนธรรมโดยการเคลื่อนไหว แล้วก็มีความรับผิดชอบมีสติสัมปชัญญะทำอะไรไม่มีล่วงล้ำก้าเกินนะฮะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรที่เรียกว่าล่วงล้ำก้าเกินเรียกว่าสำนวนเวลาเชติเขาเรียกว่านางงามแห่งเบนจากีรีนครชื่อเมืองกะลิเกนะฮะเมื่อต้องการจะเรียกคนเรียกคนเพราะว่าชื่อนี่สำคัญมากต่างจังหวัดต้องชื่อฟังคล้ายๆลิเก คนจะเกิดสนใจนะเราจะมาฟังกันอย่างเรื่องนางสามาวดีเวลาพระเทศเนี่ยก็ใช้คาว่าราชินีอมตะฟังแล้วมักรลิเกนะฮะคนคนก็จะมาแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาความดีงามที่มีอยู่ในตัวท่านเหล่านั้นเนะข้ามาพูดเข้ามาสนทนากันได้ในวันสูนั้นวันนั้นนะ่นางก็มาโดยปกติแต่มาถึงก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว่าวันนี้การพระองค์อธิษฐานอุบสถคือรักษาวสฒิสิ่งเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการสอนในลักษณะคล้ายๆกับพ่อสอนลูกอย่างที่ว่าเนี่ยคือภาพตัวนี้มันมันอบอุ่นเหมือนคุ้นเคยว่าพระพุทธเจ้ากับพุทธศาสนิกนั้นไม่ได้ห่างไกลเป็นการใกล้ชิด แล้วคนก็รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองนึกจะทูนอะไรก็ทูนมีปัญหาอะไรก็จะตอบไพ่จะชี้แจงให้ไม่มีพิธีรีตองอะไรนั่นก็คือพระพุทธเจ้ามันสุดยอดของคนนะฮะเป็นนิพพานุ์แต่ว่ากลายเป็นคนที่สูงสุดคืนสูตสามัญคือธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็คุยกับนางวิสาขาก็ทูลว่ารักษาโโสดถามว่าเธอ รกักษาโบสดประเภทใดมันก็ยุ่งนะครับเพราะว่าท่านไม่ทราบว่าประเภทใดพระเจ้ารับสั่งอวิสาขาอุาโบสถเน่มันมีอยู่สาประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าโคปาล ก, กะอุปาสสุอุโบสถก็เป็นการรักษาอุโบสถแบบคนเลี้ยงโคแบบนายโคบานลจะเลี้ยงโคคือนายโคบาลี่เลี้ยงโคนั้นมันก็คิดว่าวันเนี้ยพรุ่งนี้ยจะเอา โคไปเลี้ยงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเลี้ยงชีดนั้นแล้วตัวเองก็จะกินอย่างนั้นอย่างนั้นจะอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นก็วางแผนเพื่อกินของของโคก็กินของตัวเองแล้วก็เสร็จแล้วก็น้าโคมาคืนเจ้าของเวลารีดนมโคมันก็เจ้าของโคเป็นคนได้น้านมโคน้านบจากโคตัวเองก็ได้เฉพาะข่ า, ขาจาการการรักษาโสดในแนวนี้ก็ยังมีความยาก เป็นเบื้องหน้านะเราจะเห็นว่าก็คาดหมายไว้นะฮะพรุ่งนี้เช้าจะกินอย่า ง, ง น, น, นงงั้นจะกินอย่างนีง้จะกินนอนไปหิวขึ้นมาปรุงแต่เรื่องจะกินนั้นเองนะก็มีความอยากมีความอยากครอบงำอยู่ตลอดระยะเวลาไม่สามารถที่จะคุมความอยากได้ ก็ะสงแสดงว่าการรักษาอุโบสถอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากอนิสง์ผลนั้นไม่แผ่ไปไม่ได้มากแต่ไม่ใช่ไม่มีนะคือว่าแผ่ไปไม่ได้มากเพราะอะไรเพราะว่าการทําความดีทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับเราจะปรับคือเนี่ยพวกหญ้าทั้งหลายว่าจะพืชทั้งหลายนะ่ะเป็นมนชินเป็นปัญหาที่จะปรับพืชให้สวยงามไม่ได้แต่ยังมีหญ้าอยู่ มันก็ต้องกัจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปใจที่ประกอบด้วยความอยากดังนั้นอยากอย่างนี้อยากอย่างโน้นก็เป็นอาการของโลภะเป็นอาการของราคะตรงนี้ก็เป็นอาการของโลภะนะครับแสดงว่าจิตใจยังมีความขุ่นม่เศร้าหมองแนวของการรักษาสีนั้นท่านจะเห็นว่าสีนั้นจะมุ่งแก้กิเลสประเภทโลภเป็นหลักลองเรียงดูก็ได้นะการฆ่าสัตว์นี่ก็ฆ่าเพราะโลภเป็นหลัก รักรัพย์ก็เพราะโลภผลผิดทางกลางก็เพราะโลภอภรรมาเองก็เพราะโลภนะฮะแล้ก็โกหกส่วนใหญ่ก็เป็นโลภหรือตุราก็เป็นโลภกินกินอาหารในเวลาการก็เป็นโลภเป็นเรื่องโลภนะฮะสรุปเป็นเรื่องเรื่องโลภจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะงั้นท่าใจยังถูกครอบงาด้วยความโลภอยู่แสดงว่าผลในการปฏิบัติจริงๆก็ยังไม่เต็มไม่เต็มหน่วยก็ทงแสดงว่าไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มาก อ น, นิสงแผ่ไปไม่ได้มากเพราะอะไรเพราะว่าบุญกุศลประเภทนี้จะส่งแสดงอ น, นิสงไว้สามสามระดับจริงก็เราคุ้นๆ น, นะนะฮะก็หลงทายทุกทีสีเลนะสุกติงยันติบาคนจะบรรลุสุกติได้ก็เพราะสีลก็แสดงว่าผลอนิสงก็การรักษาสีนั้นให้เกิดในสุขติด้วยสีเลนะโพกสัมปทา ควรจะสมบูรณ์โดยพวกสมบัติได้ก็เพราะสีเกิแสดงว่าสี น, นั้นเป็นเหตุให้สมบูรณ์โดยพวกสมบัติเป็นมนุษย์สมบัติแว่ศีลที่เป็นบา ร, รมีนะอย่างพระภูริทัตเองรักษาโวสต์เตศีมันเป็นพวกบา ร, รมีที่จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งทําให้บรรลุมรรคเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีศีและบา ร, รมีอยู่ผมก็บรรลุไม่ได้นะฮะตอนนั้นถ้ารักษาแบบโค แต่คนเลี้ยงโคนะโคปาระกะอุบาสกอุบโบสถเนี่มันก็ผล อ, นอนันศุกร์ไม่เกิดขึ้นมากอีประการหนึ่งทรงแสดงว่าเป็นรักษาแบบนิกันถะอุบโบสถคือรักษาศีลแบบพวกนิครนุนิครุนั้นเป็นนักบวช น, นอกาศาสนาเป็นลัทธิที่เราเรียกว่าชี้เปลือยพวกที่คำพรทั้งหลายเนี่ยเป็นลทัทธิที่เกิดมาก่อนพระพุทธศาสนาหกปี เป็นคู่ต่อสู้กันตลอดในสนามชมพูทวีปตลอดระยะเวลาสี่สิบสี่สิบสามปีนะฮะสิบสามปีต่อสู้กันแรงมากจนถึงก็ส่งคนมาฆ่าพระพุทธเจ้านะฆ่าพระอาหารหันต์ของเราไปหลายองค์รุนแรงนะก็เป็นการรักษาในแนวที่อะไรว่าเป็นข้อปฏิบฏัติตตั้งขึ้นเช่นสมมติว่าฆ่าสัตว์ สี่เท้าได้ค่าสัตว์สองเท้าไม่ได้ค่าสัตว์เล็กได้ข่าสัตว์ใหญ่ไม่ได้ค่าตัวผูด้ได้ข้าตัวเมียไม่ได้อะไรแต่เนี้ยคือคือคือคื อ, ค อ, ค อ, คอมันใจมันไม่ได้สากุลมันไม่สเปสตาอย่างอย่างศีลปาณาเรามันเป็นเป็นปานะคือหมายความว่างดเว้นการทําลายสิ่งที่มีลมหายใจศีลโดยหยาบหยาบเเราพูดแค่พูดแค่คนแค่สัตว์นะครับแต่ว่าศีลที่ประณีต แม้แต่ต้นไม้ก็ตัดไม่ได้นะเพียงแต่ว่าไม่เอาไปพูดกับชาวบ้านนั้นเองพระนั้นตัดต้นไม้ไม่ได้ดึงใบไม้ใบเดียวเนี่ยเท่ากับฆ่าสัตว์หนึ่งตัวเนี่ยใบไม้เนี่ยพระเดินเดินมันเป็นทึงไม่ได้เวลาทีมม่มันมันมันมีปัญหาจากการที่ไม่บอกกล่าวชาวบ้านเนี่ยวัดรกชาวบ้านก็ด่าพระไม่ทางญาติบ้าง ในขณะเดียวกันก็ต้องการในพระสํารวมในศีลพระทางญามก็ต้องอาบัายเต็มหัวเลยแต่เราก็ก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าสิ่งที่เราเรียกร้องต้องการนะ่ะจริงๆพระทําไม่ได้สมัยนี้ค่อนข้างหยาบสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไปดูหน่อยสิไปพิจารณาญาติตรงนั้นหน่อยไอ้คนฟังไม่รู้เรื่องก็จบกัน พระจะพูดได้แค่นั้นฮะไปดูต้นไม้ไปดูญาตินะไปดูของตรงนั้นก็เรียกว่ากับย่าโวหารคือพูดไม่สั่งตรงๆไม่สั่งไว้ตรงๆการมงคลวามเราต้องเข้าใจนัยยะการถ้าไม่เข้าใจนัยยะการก็กจบกันก็ติดต่อกันไม่ได้แต่ปัจจุบันค่อนข้างจะตรงๆมากไปนะไปสั่งเออช่วตัดตรง น, นี้หน่อยก็เมือนกระสังในคนฆ่าสัตว์นะฮบาทนะ เหมือนกับการสั่งให้คนฆ่าสัตว์สั่งให้ตัดหญ้าเนี่ยก็ บ, บาปเพราะว่าบาปประเภทนี้เ็าเรียกบาปทำเองก็ผิดสั่งคนอื่นทำก็ผิดเห็นไหมสั่งให้คนลักทรัพย์ก็ผิดสั่งคนฆ่าสัตว์ก็ผิ ด, ส, ผดสั่งคนโกหกก็ผิดไม่ใช่ว่าเฉพาะเราทำเองแต่ว่าสั่งคนอื่นให้ทำก็ผิดเพราะแนวนี้คันถาวบทสุดเนี่ย เป็นแนวที่มันให้เกิดเมตตาจิตต่อคนกลุ่มหนึ่งต่อสัตว์กลุ่มหนึ่งแต่ก็เว้นในที่หนึ่งค่าตอกนี้ไม่ได้ค่าตอกนี้ได้ค่าถนนนี้ได้ค่าถนนนี้ไม่ได้ค่าหมู่บ้านนั้นได้ค่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้เลอันนี้ก็ตกลงว่าเรื่องที่รักมากที่สั่งในแนวเลือกที่รักมากเสียงหรื อ, เ ล, อเลือกปฏิบัติสัมบนปัจจุบันก็เรียกว่าเรื่องปฏิบัติเป็นแนวของนิกายถากูุตร พวกนิครนนั้นมีแนวความคิดแปลกๆเยอะนะฮะมีแนวความคิดแปลกๆเยอะแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตอย่างนึ่งเขาเกิดก่อนเราหกปีนะฮะเกิดก่อนเราหกปีในจุมพูธวิถเวลานี้เขายังมีศาสนิกยังมีนิครนยังมีนิคันถีอยู่ในที่นั้นมีนักบวชอยู่แต่ของเรากลับหายไปจากอินเดียตั้งแปดร้อยปีเ <laughs> พิ่งกลับไปเมื่อ ปศ 2,400 กว่า 2,450 กว่า30กว่านะก็กลับไปยังไม่ถึงร้อยนะฮะยังไม่ถึงร้อยปีแล้วก็กลับไปก็กระปิดกระปลอยไม่แข็งแรงมั่นคงอะไรส่วนมากเป็นคนยากจนพวกวัานน่าสู่เคาโรคต้งตือนจูบเป็นเรื่องน่าคิดว่าทาไมอยู่ไม่ได้ทาไมเราอยู่ไม่ได้ทํำไมเขาอยู่ได้ก็เพราะว่าเขามีสาสนิก เพราะตัวศาสนาในศาสนนิกเป็นตัวหลักเลยแล้วศาสนิกที่เป็นนักบวชต้องเป็นแกนด้วยศาสนกที่เป็นนักบวชต้องเป็นแกนเป็นผู้นำเป็นผู้ศึกษาเป็นที่รวมของจุดนั้นเอาไว้พระเราถูกฆ่าไปเกือบหมดแล้วก็หนีแล้วก็หายไปวิถีชีวิตไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับไปอยู่ได้ตามสถานการณ์เพราะงั้น แค่ปศหนึง้รอเราก็หมดจากจุมพุตตุวีนับดูวาหนึ่งา1 9อ0แล้วก็มาสอง0ัอามิบกว่าตงได้กลับไปก็หายไปแ0 0รอปีหายจากจุมพุตุวีไปในขณะที่เขาอยู่ได้จนเดี๋ยวนี้นะฮะเขาอยู่ได้จนเดี๋ยวนี้แม้ในยุคเดียวกันเนี่ยเาจเจริญ น, น้อยกว่าเราแต่ว่ายุคหลังเนี่ย เขาไม่ค่อยเจริญกว่างขวงเท่าไรแต่ว่าเขารักษาเขาไว้ได้เดี๋ยวนี้ศาสนีขเขาก็มีอย่างน้อยก็สิบกว่าล้านนะนะสบกว่าล้านก็รองมาจากศาสนาซิกซึ่งเกิดทีล่ลาบอุโบสถีรประเภทหนึ่งเรียกว่าอาริยะอุโบสถหมายความว่าเป็นการรักษาด้วยจิตสานึกที่ดีงามนะมองเห็น บบุญคุณโทที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นความมีงามที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลแล้วก็มีการตรวจสอบศีลทีนี้ไแนวกระตุ้นแนวกระตุ้นที่เกิดการรักษานั้นทรงแสดงในยะต่างๆไว้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นเรื่องที่น่าศึกษาถึงถึงลักษณะสังคมสมัยนั้นเนี่ย โดยรวมสมัยนั้นเช่นเช่นชนสมมุติว่าต้องการซักผ้าเนี่ยก็ซักด้วยอะไรสระผมเนี่ก็สระด้วยอะไรยังนึกว่าวันหลังจะลอกมาให้ไอ้พวกนักนี่เขลองคิดดูว่ามันมั น, ม, นมันประสมยังไงซักผ้าสระผมขัดโลหะอะไรแต่ไหนพระเจ้าจะยกตัวอย่างมาให้ดูว่าจะต้องใช้ส่วนประกอบอย่างงี้แล้วก็มีกรรมวิธีที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานเหล่า น, น, ลนั้นแล้วจะสามารถทําตรงนี้ได้ เพราะในอริยโสดุ์อาจจะมีตัวกระตุ้นหลายตัวตัวที่สําคัญที่สุดก็คือมีมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวถ้านึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพยายามที่จะปฏิบัติตนประสงค์คมกืนกับพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็สมทานอาศัโสถท่านเรียกว่าพรหมโสถุเป็นโสถ์ที่เหมือนกับผ่อมรักษาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด เราก็เพื่อบังเกิดในพรหมโลกมองความสุขก็มีเป้าหมายอยู่ที่พรหมโลกทีนี้ถ้าหากว่าปรารบธรรมคุณที่เราสวดนะสวัสดิ์ค่ะตัวโคตตาโมทมตุทมติเรียกว่าธรรมะอุโบสถอุโบสถที่ปรรบ พ, พระธรรมต้องการเห็นคุณค่าของธรรมะปฏิบัติแล้วต้องการจะน้อำ น, นธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติตัวเองก็รักษารักษา อ, อ, อุโบสถตัศน สีบางทีก็อาจจะประรับประสงค์ประรัประสงค์ก็เรียกว่าสังฆาโบสถหมายความว่าดูปฏิปทาการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรของพระสงค์นะแล้วต้องการจะทําตนอย่างนั้นด้วยแล้วก็สมทานโบสถท่านเรียกว่าแบบสังฆาโบสถหมายความว่าตัวกระตุน้นตัวกระตุน้น ทีนี้บางชีเนี่ยมองถึงตัวผลที่คนก็ได้สัมผัสสัมผัสจากการรักษาศีนมีความสงบเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายในที่ใดๆไม่จะอยู่ในแวดวงทีเขามีภัยมีอันตรายท่านเหล่านั้นก็ไม่มีภัยมีอันตรายรู้ถึงการรักษาศีลแนวที่เราเรียกว่าอริยการรักษศีลตรงเนี้ที่ได้มาถามญาติโยม วันนั้นเจ็ดแปดคนที่ที่ปิซูโรกแก <c oughs> ตอบไม่ได้เลยตะก้อเนี่ยตามมศีลขาดไปยังไงยังไงเรียกว่าขาดยังไงเรียกว่าทะลุอย่างใดอย่างไงเรกว่าพร้อยยังไงเรียกว่ารักษาศีลเป็นอิสระคือเป็นไทยแก่ตัวรักษาศีลโดยไม่เกิดตัณหามาณทิจิเพิ่มขึ้นแล้วก็วิญยาชนเขาเห็นแล้วยกย่องสรเสิญุดจิต น, น, น้องๆก็หาสมาธิ ประกฏวระท่านท่านท่านตอบตอบกันกันไม่ได้นะฮะก็นั่งอธิบายได้สองข้อหมดเวลาครับหรือไม่งั้นอาจจะปรารบพวกเทวดาทั้งหลายตัวกระตุ้นนะฮะตัวกระตุ้นที่จึงเรียนใครก็ได้อย่างอย่างที่เคยเล่าถึงเทวดาระจาต้นใสตันหนึ่งที่ไปเลี้ยงพวกฤษีเหอศีไม่มีน้ำท่าจะดื่มเนี่ยเทวดาก็บรรดาน้าไหลมาจากกิ่งต้นใส ถือว่าบีดิธานุภาพอัศจา์ก็สอบถามไปสอบถามมาปรากฏว่าท่านรักษาโสดศรลได้กึ่งหนึ่งมีอ น, นิสงส์โสดศรีงึงเดียวอดีตเป็นคนใช้ภายในบ้านของท่านอนาตบินิกาเรษฐีเป็นคนเข้ามาทำงานใหม่ยังไม่รู้ประเพณีของสกุลคือบ้านของท่านอนาตบินิกาเรษฐีก็ถือเป็นธรรมเนียมทุกคนวันโสถรักษาศรีโสดหมด แม้แต่เด็กเล็กๆ เ, เนี่ยเด็กเล็กๆ เ, เนี่ยพ่อแม่ก็จะเอาน้ำตาลกวดใส่ให้เด็กอมไว้แล้วก็ถือว่าให้รักษาบทศสสีลไม่ให้กินอาหารคนชายคนนี้ไปทำงานในสวนไม่รู้เรื่องกลับมาตอนเย็นเขาก็จัดอาหารไว้ให้แตาไม่ได้บอกเขาแกเห็นไม่มีคนอื่นกิน เราสอบถามว่าแล้วคนอื่นน่ะไม่ทานอาหารก็บอกไม่ได้ทานทีนี้รักษาปสดศอแกก็ไม่เข้าใจคำว่าปวดศอกก็อธิบายให้ฟังแกบอกว่าอเอ้ผมมาอยู่อย่างนี้แล้วผมเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนแกะดําอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้ผมต้องรักษาด้วยแต่รักษาตอนเย็นแล้วนะตอนเย็นแล้วมันก็ค่ำแล้วอย่างเดียวอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะอย่า ง, มมงาสิบสองชั่วโมงแกถามว่ารักษาได้หรือเปล่าตรงนี้ เรไปถามทานานาธิบินิกาเศรษีท่านบอกว่ได้แต่มันได้อันนี้ส่งกึ่งเดียวท่านเองเพราะว่ามันมันครึ่งของอุปสถบทท่านั้นคือไม่รับประทานอาหารถึงมื้อเดียวเขบอกครึ่งก็ครึ่งกึ่งก็รึ่งก็งงกงเอาอะ่ะกอรักษาด้วยในที่สุดพอรักษาไปนี่ยมันมันไม่คุ้นเคยนะฮะเกิดหิว่างแรงเกือบตายกัางดึกขึ้นมาธนนาธิบินิกาเสรีก็แนะนาให้กิน เอาน้ำตาลกรวดอะไรมาให้กินแกก็ถามมาท่านกินหรือเปล่าบอกไม่ไม่ไม่กินนะอา้าท่านไม่กินผมก็ไม่กินผมก็ไม่กินในสุดยอมตายนะรักษาศีลได้ครึ่งได้ครึ่งเดียวแต่ว่าเป็นการรักษาเอาจิงในสุด ก, ก็ยอมตายแล้วก็จิตมันฟ่องแผลก็บังเกิดเป็นลุกเทวดามีฐานภาพมากโดยอันิสงของโบโสศศีลครึ่งเดียว จะสามารถช่วยพวกฤาษีที่หลงป่าได้ต่างเป็นร้อยๆนะฮะแล้วปลาฤาษีเหล่านั้นก็เลื่อมใสอุโบสถจุดเนี้ยอุนี้ขนาดกึ่งเดียวนี้ได้ในสมขนาดเนี้ยมีริษฐานของขาพขนาดนี้ในะสุก็เข้ามาข้าวพรเจ้าก็ออกบทไปเลยฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าตัวปรารภตัวปรารภนี่ปรารภอะไรก็ได้ปรารภพวกเราก็เป็นสมาชิกในสังคมนี้เพื่อนก็ทําอย่างนี้รเราก็ควรจะปฏิบัติตามเขา เพื่อไม่ให้เกิดการผิดแผกออกไปจากสังคมก็มองตัวสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่หรือพวกฤษีมองผลฤษีตรงนั้นก็มองผลในแนวที่ว่าโโบสถกึ๋งเดียวแต่มีอิทธานุภาพมากให้อานิสงส์มากท่านก็ควรจะรักษาแล้วควรยะรักษายิ่งขึ้นไปกว่านั้นเลยครับไปโโบสถอย่างที่บอกแล้วว่าโโบสตศีลที่บอกว่าจริงๆมันไม่ถึงมันไม่ถึงครึ่งวันเอ้ไม่ใช่ ไปถึง24ชั่วโมงบางทีอาจจะปรารกฏเทวดาเทวดานั้นมาความเราก็รู้เรื่องเทวดาหรือไม่งั้นก็ธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาอันนี้ส่งว่าพิสดารยาวนะยาวตอนนี้ยาวมา เ, เทวดาในชั้นต่างๆยกเทวดาชั้นจารุมาราขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณธรรมที่ทําคนให้เป็นเทวดา ก็มีอยู่ห้าข้ออันนี้เราเราเคยผ่านแต่ผ่านมานานแล้วนะคือธรรมะที่ทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่หลายชุดออชุดหนึ่งสองข้อคืออิทธิอุตตปะอีกชุดหนึ่งเจ็ดข้อคือวัตบวตบทเจวัตตบทเจก็คือหนึ่งอุปถากความลงมารดาปิดาสองเคารพต่อผู้ใหญ่ภายในตระกูลสามเจรจาถ้อยคาที่ไพเราะอ่ อ, อนหวาน สงดเว้นวาจาที่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแจกแล้วก็ห้าขจัดความเจ้หนีหกมีความสัตว์แล้วกเกิดความโกรธได้โคมความโกรธได้นะเจก็โคมความโกรธได้แล้วข้อต่อไปก็คือผู้กุศลกำหนดกุศลกำหดที่ประ น, นีตระดับหนึ่งมันก็ให้มนุษยสมบัติอีกระดับหนึ่งก็ให้สวรรคสมบัติอีกระดับหนึ่งก็ให้นิพพานสมบัติ ที่กล่าวไว้ในสังฆารูปปฏิพัสูตรนานแล้วนะฮะวันนั้นก็พูดสองครั้งในสามครั้งสูตรนี้ยาวเรียชุดหนึ่งเป็นธรรมะสี่ข้อคือศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสีาสละสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลสุตะคือมีการศึกษามีการสดับต่บฝังมากเดจากฆะมีปันสละให้ปัน ปัญญาเป็นความรอบรู้นะฮะก็ห้าคอด้าน่าหลายมองแล้วคล้ายๆจะเอ้ยทำไมมันเยอะเหลือเกินที่จริงเหมือนกันนะข้อไหนก็ได้มันเป็นปริยายเทศนาแต่นั้นเองฮิริโอตปะนั้นไล่บาปสะดุ้มบาปสะดุ้มโกต่าปบาปมันเกิดจากอะไรราบจะเกิดจากโลภะโทสะโมหเนะเห็นไหมบาปมันเกิดจากโลภะโทสะโมหะ ตอนมันก็ปิดกั้นกระแสของโลภะโทสะโมหาเอาไว้ก็ทําให้จิตใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์มันก็มีปัญญามีศรัทธามีอะไรล่ะมีศีลมีจาระะมีอะไรพร้อมขึ้นมาเองนะอย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นมาเองเป็นโบหานในการเทศการสอนเท่านั้นหรืออย่าไปติดใจว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ว่าอย่างงี้ตรงนี้ว่าอย่างงี้เหมือนกันนะนะฮะเหมือนกันเป็นอะไรให้เราสังเกต น, นะฮะเป็นอริยมรรคเหมือนกัน ทั้งสี่ชุดเนี่ยเป็นอริยมรรคเหมือนกันแน่น้นปีเตโอตปะก็เป็นสมาธิขับปะเป็นความคิดในทางที่ชอบเป็นตัวปัญญาสิกขาด้วยนะฮะเป็นตัวปัญญาสิกขาด้วยแล้วนอกจากนั้นก็จะกระจายอยู่ในอยู่ในอริยมรรคในองแปประการนั่นเองก็ทรงสั่งสอนว่าอาจจะมองผลนิเทวดาเหล่านั้นได้รับอย่างในวฤษีมองเนี่ก็ได้นะฮะ หรือมองธรรมะที่ทําให้คนเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาดูที่ตัวเราว่าเรามีธรรมะเหล่านี้อยู่หรือไม่ตรวจสอบดูด้วยตัวขอเราเองว่าเรามีศรัทธาจริงไหมเรามีศีลจริงไหมเรามีการศึกษารดับต่อฟังจริงไหมเราก็มีความเสียสละมีน้ําใจจริงไหมแล้วก็มีปัญญาจริงไหมถ้ายังไม่มีก็พยายามเพิ่มปูนขึ้นแน่นอนไม่มีใครสมบูรณ์หรอกแต่ว่าการตรวจสอบไว้เนี่ย จริงมันก็เหมือนเรื่องทั้งหลายเหมือนเรื่องทั้งหลายเราปรุงอาหารเราก็ต้องชิมก่อนก็นั่นก็คือการตรวจสอบตรวจสอบว่าเป็นอาหารที่ถูกต้องตามสูตรซึ่งเรากําหนดไว้หรือต้องการจะปรุงหรือไม่และยังไม่ได้มันก็มีการเพิ่มเติมแก้ไขกันเรื่อยจนกว่าจะลงตัวเห็นมไหมว่าการทดสอบเนี่ยทุกเรื่องเราก็มีการทดสอบแต่ธรรมาปฏิบัตินั้นเรามักจะไม่มองในแนวของการทดสอบ บางทีพอเจอทดสอบข้าวก็ตะ บ, บาดแตกขันติก็กลายเป็นขันแตกเลยก็เอาตัวไม่รอดอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยวิธีเ็าเรียกว่าอุบายยิธีกับครูบาอาจารย์ท่านแรงนะบางทีมันตั้งตัวไม่ทันน่าดูเนี่ยแต่ว่าอย่างพระนากเสรเนี่ยพระนาก เ, เ่ยโดนอาจารย์ทดสอบครั้งแรกเนี่ยจะไปไม่ไปอะ คือท่านท่านท่านท่านท่านท่านเรียนอภิธรรมก่อนคือหลักการสาคัญนี่ยนะว่าถ้าเราจะศึกษาพระพุทธศาสนาต้องเรียนตามลําดับที่ท่านเรียนอย่าไปเรียนอภิธรรมก่อนเปน็นอาขาดถ้าเรียนอภิธรรมก่อนแล้วนี่อัตตาจะใหญ่มากๆแล้วพูดกับคนเขาไม่รู้เรื่องคือจะหลงตัวเองเก่งอยู่คนเดียวอันตรายมากเขาไม่เรียนก่อนอภิธรรมนะเขไม่เรียนก่อนต้องเรียนทีหลัง เราต้องมีฐานเคยคายๆก็เป็นตัวอาคารไม่ใช่เราเราเราต้องมีเข็มมีคานได้ก่อนนะฮะต้องต้องต้องตอกเข็มได้ก่อน น, ะอออออ น, นั้นจะรักน้าหนักขออาคารไม่ได้ตึกนั้นจะอยู่อาศัยไม่ได้พราะนักเกษตรนั้นท่านท่า น, านอาจารย์ท่านสอนอริธรรมได้ก่อนสวนอริธรรมมันเกิดอหังการเกิดอัตตาใหญ่ส่งไปเรียนพระสูตรพระวินยัยที่หลังในสนักอาจารย์อีกรูปหนึ่ง ไปถึงอาจารย์เป็นพระบันนอกธรรมดาธรรมด า, า, มดาแกพอเห็นปั๊อพระบันนอกไม่ได้ปากผมไม่มีความรู้อะไรอาจารย์ส่งเรามาได้ยังไงเรามันแตกฉานขนาดนี้แล้วมาส่งมาเรียนกับพระหลวงตาบันนอกอย่างนี้ก็ท่านคิดเดินนะปรากฏอาจารย์รู้ความคิดอาจารย์เป็นพระรหลานพ้นลงธน ก, กรรมเลยตรงนั้นหลยลงโทษทันฑชีโดยสั่งให้ทําอะไรตั้งนานหลายเดือน ถ้าเป็นงั้นถือว่ายัางไม่เสร็จท่านก็ยอมรับปฏิบัติทันทีนั่นก็คือวิธีเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบว่าเธอมีความใคร่ต่อการศึกษาคือตั้งใจเรียนจริงหรือเปล่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงหรือเปล่าถ้าตั้งใจต้องพร้อมตลอดต้องพร้อมที่จะทำอะไรก็ตามเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาแบบประพุติเจ้าจะถูกทดสอบด้วยวิธีการต่างๆน ะ, ะในที่สุดก็ผ่านการทดสอบมา มันถึงจุดนี้เราก็ไม่ต้องไปรู้เทวดาก็ได้นะฮะแต่ก็ดูธรรมที่ตัวเราแนวอะไรแนวเทวตานุสติหือการตั้งสติเราลึกถึงคุณของเทวดาดูเทวดาไม่เห็นเทวดาก็ดูที่คุณของเทวดาแล้วก็น้อมคุณเรานั้นมาดูที่ตัวเราดูศรัทธาดูศีลดูการศึกษาสดตปฟังดูจารคดูปัญญาของเรา มีไหมมีมากพอไม้ถ้าไม่มีก็พยายามเพิ่มพูนให้มีมากริ่งขึ้นไปเวล น, นี้กําลังไม่มีแนวความคิดนะฮแต่ยังขยายไปไม่ได้คือมาว่าปัญหาต่างๆที่มันมาลุมมาตุ่มสังคมเนี่ยมันน่าจะมีสักสั ก, ส, กสักอย่างหนึ่งคือเราอาจจะมีสถานีวิทยุวันหนึ่งสักสองสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเนี่ยนะ มีการบรรยายทำใน ต, ตัวหลักๆแล้วก็มีการสามารถจะถามปัญหาได้ต่อปัญหาไปได้แก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าถ้าทำได้ะลยดีมากๆอย่างนี้พวกสมาดิตั้นพวกคริสเนี่ยก็ทำแล้วก็มีทำไปอยู่หลายแห่งแต่ว่าในวงการคณะสงฆ์เราที่มันค่อนข้างยากก็คือว่าคนไม่มีเงินไม่มีงานทางศาสนานั้นเขาไม่ค่อยให้การอุปธรรม อย่างนี้ที่ที่ศูนย์เราทําเวลานี้นะฮะเราต้องหาใบอนโมทนาที่เขาสามารถลดหย่อนค่าภาษีได้ด้วยแล้วต้องโฆษณาสินค้าให้เขาด้วยนะกับคนอื่นเขาอย่างเดียวแต่นั้นเองเฉพาะโฆษณาสินค้าแต่ไม่ต้องไม่ไม่สามารถลดหย่อนค่าภาษีได้เพราะกับวัดเขาเอาสองอย่างเลยให้โฆษณาสินค้าเขาเต็มชี ด, ด้วยแล้วก็ต้องใบอนโมทนาต้องลดหย่อนค่าภาษีให้เขาได้ด้วย เด็กก็ให้นิดเดียวด้วยนะฮะอหนน้ดเดียด้วยมันก็งานศาสนาจึงเป็นงานที่ทํายากเ อ, อถ้าไม่มีจิตบิญดาณมีความดิ้นรนคนขวาจริงๆแล้วก็ในสายนี้คนก็ไม่เคยเล่นนะฮะคนก็ไม่การสนับสนุนมันต้องสร้างมันต้งวันเกิดหลวงพ่อคูณได้ร้อยล้านอะไรอะไรเนี่ยนะแจกพระคูณชุดกูไม่กลัวมึงอะไรอะไรก็ว่าแจกก็ก็คลัง เออขลังคือมัน ก, มนก็มันก็สังคมเราก็เป็นอย่างนั้นที่จริงปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่หน้าที่น่าทหน่าช่วยเหลือนะฮะเพราะว่าจะช่วยอะไรได้เยอะพอเป็นที่รู้จักของคนคนก็มีปัญหาก่อนจะกระทาอะไรก็โทรมาตามเราก็ตอบไฝ่เข้าไปเปลี่ยนเป็นทีมทำทั้งคืนทั้งวันนะ่ะทีนั้นทั้งคืงนทั้งวันนะหรือแม้ได้กําหนดเป็นเป็นหุ้งห้วงเป็นช่วงๆคราวละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ ทำแบบเข้าเวรเนี่ยนะทำแบบเข้าเวรกนนน็เปลี่ยนกันนอนเปลี่ยนกันทำงานก็ทำได้แต่ว่าต้องหลายชุดนะฮะตรงตรงต้องมีเป็นชุดๆอย่างน้อยต้องสามชุดหนึ่งเป็นปัญหาที่น้าทำน้าคิดแต่ก็ติดตรงเนี้ยติดตรงเงินตัวเดียวติดตัวเงินตัวเดียวก็เดินไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ใครไม่มองปัญหาจุดนี้คือเห็นว่าอุดมการ์พูดนั้นมองในกรณีที่จะให้เป็นการปกครองโลก เพืั้งหลายจงที่จะจาริกไยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นการโนเคราะห์ต่อชาวโลกแต่กิจกรรมส่วนใหญ่ในเราจะต้องหาเงินเข้าวัดหมดเลยแต่แทนที่จะมุ่งไปช่วยดูแลสังคมอภิบาลสังคมช่วยเหลือสังคมที่นําความถูกต้องแก่สังคมเราไม่ค่อยคิดในแนวตรงนี้แล้วแนวตรงนี้จะเดินไม่ได้สังคมเองก็ไม่ให้การสนับสนุนนะกิจกรรมทางการเผยแพร่พวกทํา ง, งานเผยแพร่จะไม่มีความเจริญหรอก หลวงพ่อพุทธธาตนั้นทามาอยู่ฝ่ายปกครองเป็นสมเด็จนะนะะเป็นสมเด็จแล้วแต่ก็เป็นหลวงพ่อพุทธทาตนแค่แค่นั้นนะนะหลวงพอ่อปัญญาก็เนี่ย่จริงๆทาหารกองทัพอยู่สายปกครองนั้นก็เป็นสมเด็จไปแล้วท่านก็เป็นแค่ชั้นเทพแต่นั้นเองมันมันทั้งหมดเนี่ยมันมันสังคมส่วนให ญ, ญ่สังคมเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นสังคมที่ไม่ให้ความสำคัญในจุดนี้วันก่อนไปฟังการไม่จะฟังหรอกฮะจริงๆ เอามาชอบสนใจเรื่องต่างๆก็ให้เขาช่วยอัดเทปให้บ้างหรือให้เขาเอาเทปมาฟังบ้างในการอาภิปรายเรื่องประชาธิปไตยอะไรกันที่รัฐสภามีคนก็พูดว่าพระนั้นบวชมาก็สวดสวดแล้วก็เสกเสกแล้วก็สร้างแต่ท่านไม่สอนก็บอกว่าแต่ท่านไม่สอน แต่พระทำสามอย่างคือสวดคือเสกคือสร้างแต่ไม่ยอมสอนทำจริงๆไว้คนพูดเหลนะ่านั้นมันเคยนั่งฟังเทศหรือเปล่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ฟังอัตตามันใหญ่ไม่ฟังเทศแล้วฮะพวกพว ก, พวกที่พูดพู ด, พดทั้งหลายเนี่ยลองพระเทศหลวงก็ไม่ฟังแต่ว่าก็จ้องแต่จะด่าที่จริงกิจกรรมการสอนนั้นเราจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ถูกตัดรอนคือว่าทําอะไรไม่คยได้พวกเสกหรือันไปลิปเลยนะ สร้างเมืองได้เลยเ ส, สกหลวงพ่อคูณนี่มีเงินเข้าไปปีๆทังสี่หร้อยล้านนั่นนะเข้าไปในการเสกกระดานดันก็ทําอะไรเป็นรูปธรรมก็แก้ปัญหาสังคมสังคมเรามันงงจนเจยบอยู่เนี่ยไม่ไปช่วยสังคมในยักษ์ใลักษณะพวกยากไร้่ะมีโรคภัยไข้เจ็บมีความไม่รู้ในด้านต่างๆสร้างโรงเรียนสร้างสนธนาธารณสุขสร้างอนณาไมา้โรงพยาบาลอะไรตไรเนี่ยสร้างถนนนทามไป่วเหลือสังคมอ่ะ ท่านก็สามารถในสายของท่านท่านก็ทําของท่านแต่วจริงๆเนี่ยการเทศเนี่ยการสอนก็สอนแต่ว่าไม่มีการสนับสนุนแล้วก็สอนแล้วเนี่ยโอกาสคนที่ควรจะได้รับการสั่งสอนมากเขาก็ไม่สนใจแต่เขาก็ต้องการด่าแล้วโยมลองสังเกตนะก่อนออกพรรษาเนี่ยก็ด่าเรื่องกรถินกันดีครับอันทายออกโทรทัศน์มองต่างมุมนะอะไรล่ะก็คิดด้วยคนเนี่ยจะจ ะ, จะด่าเรื่องกรินเนี่ยนะด่าเรื่องกระถิน ด่าเป็นเทศการเลยนะด่าเป็นเทศการไปเลยนี่ก็คือคืออะไรก็คือว่าเราไม่รับผิดชอบจริงๆนะไม่รับผิดชอบต่อต่อศาสนาต่อส่วนรวมจริงๆแต่ก็เพียงแต่ว่าะพูดเพื่อเพื่ออะไรบางทีก็ต้องการแสดงอะไรหรือต้องการความมันความสาสใจอะไร เนี้มีปัญหาเยอะนะฮะมาให้เด็กลอกมาแล้วต้องเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะอ่าประประลบเทปชุดนี้เพรารู้สึกว่าตีสังคมไทยไว้เยอะเหลือเกินทั้งาศาสานาทั้งขนมรำเลียมประเพณีวัฒนธรรมกติไทยเนี่ยตีไว้หมดเลยคล้ายๆก็ต้องปฏิวัติใหม่หมดในสมองนั้นนะนะไม่รู้ประชาธิปไตยอะไรเหมือนกั น, น <laughs> เพราะงั้นแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าแนวที่ส่งสอนทั้งหมดนั้นจะประรบตัวหลัก เห็นไหมปรบพระพุทธปรลบระธรรมปรลรบพระสงค์ปรรบผลที่เกิดขึ้นจากคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่รักษาศีลที่เรียกว่าอริยะอุปสมแล้วก็มาปรรบถึงเทวดาซึ่งเป็นผลสําเร็จเทวดานั้นเป็นธรรมะที่สําเร็จแล้วนะหมายความว่าระดับของสวรรค์สมบัติเนี่ยท่านได้เคยสร้างเหตุมาแล้วแล้วก็ได้รับผลเหล่านั้นแล้วในชาติก่อนหน้านั้นแล้วก็ตายไปแล้วก็ ผลบุญา น, นั้นก็ทำมานเกิดเป็นเทวดาเพราะฉั้นเทวดาก็กลายเป็นแบบเป็นแบบชีวิตสมเร็จรูปที่ให้สวรรค์สมบัติเหมือนกับเอาคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในโลกมาเป็นแบบในการดําเนินชีวิตเพราะคนเหล่านั้นก็คือธรรมะสมเร็จรูปในแง่ของมนุษย์สมบัติหรื่องปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระหัต์ทั้งหลายมาเป็นแบบในการดําเนินชีวิตปัจจุบันก็คือทำธรรมะสมเร็จรูปในแนวของนิพพานสมบัติ บุคลิกภาพการนิราการเคลื่อนไหวของท่านก็เป็นแนวธรรมะดุนๆทีนี้คุณจะกลับมาตรงนี้ตก่อนกลับมาอุบาสถตรก่อนพระสูตรนี้คงต่อนะเพราะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังอีกมันยาวเป็นเรื่องที่ที่ที um ่ย re ังนึกไม่ช้าเนี่ยยังน yeah. ึกว่าไอตรงนี้มันน่าจะทำหนังสือเป็นเล่มนะฮะหนังสือเป็นเล่มพร้อมๆเป็นระบบมาก เป็นระบบแล้วเหมือนกับพ่อพูดกับลูกคือ พ, พูดหมดเลยนั่งพูดกับลูกสาวนี่เล่าหมดเลยมันเป็นยังไงไมันเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นยังไงอย่างไงนะพอได้ผลจากการรักษาโบทสดแล้วไปเกิดในสวรรค์เกิดสวรรค์มันดีกว่ามนุษย์ยังไงนะสวรรค์ชั้นจาตุมาราชมันดีกว่ามนุษย์ยังไงชั้ชนดาวดึงดีกว่าจ้าตุมาราช์ยังไงนะแล้วก็ชั้นยามดีกว่าดาวดึงยังไงก็เรียงไม้ดูอายุเป็นยังไงเรียงไม้ดูหมดเลย และเราจะเห็นว่าที่ที่พูดที่ชาวบ้านจะพูดผู้เจ้าไม่พูดเรื่องสวรรค์นั้นรกค่ะคือคนเหล่านั้นไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเท่านั้นเองหรือแม้แคตาบอดมันมีมันมีรายละเอียดนะนับอายุให้ดูรูปร่างผิวพันธุ์ความสุกรูปเสียงรูปเสียงกินรสสำปะในเจ้าบ้าว่าละเอียดแต่ว่าคนฟังต้องมีพื้นฐานอย่างนางวิสาขานะนาวิสาขาท่านเป็นพระยาสาวิกาเป็นพระโสดบันฟังรู้เรื่อง แต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องไม่เทอะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเอาเทวดามาพูดในเรื่องใหญ่เพราะเทวดามันเป็นอธิสมานกายมันไม่ได้เห็นด้วยด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยทิพจักษุคล้ายๆกับภาพที่ส่งมาทางจอโทรทัศน์มันเต็มไปหมดในครั้งนี้เอาเครื่องโทรทัศน์กี่เครื่องก็ได้มาเปิดมารามก็เต็มหมดแต่เราก็ไม่เห็นอ่ะเราก็ไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่สามารถเปิดดูได้ด้วยกล้องด้วยเครื่องโทรทัศน์จิ่งเหล่านั้นก็จะมีลักษณะอย่างนั้น ันอยากจะให้มองไปที่ตัวบูสดบสถศีลเนี่ก่อนน ะ, ะเป็นการขยายศีลห้าขึ้นไปอีกสามข้อนะเด็กเย็ก็เป็นสี่ข้อประเด็นสำคัญคือเราต้องรู้ว่าป้านาธิบาทนั่นคืออะไรคือเจตนางดเว้นจากการทำสัตว์ให้ตายทำยังไงดีกว่าทำสัตว์ตายมก็ต้องถามต่อไปในลักษณะขององค์ศีลอย่างที่ประรบถึงโยมจแปดคนวันก่อนน ท่านไม่เข้าใจเรื่ององค์ศีลแล้วก็ศีลขาดไปยังไงก็ไม่รู้เลยมันต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบของคำว่าขาดมันคืออะไรท่านก็บอกว่าหนึ่งสัตว์นั้นต้องมีชีวิตสองเราต้องรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเห็นไหมเราเดินไปกลางมืดเดีวเหยียบ ม, มดตายเยอะเราไม่รู้ก็ไม่ได้ขาดศีลอะไรเพราะเราไม่รู้สัตว์มีชีวิตจริงแต่เราไม่รู้แล้วเราต้องตั้งคิดคิดจะขา ศีนนั้นจะต้องมีความจงใจนะจงใจรักษาแล้วจงใจละเมิดจึงถือว่าผิดมันไม่ใช่อยู่ที่ใครว่าเราผิดหรือไม่ผิดแต่อยู่ที่เราทำผิดหรือไม่ผิดเรื่องศีนเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะเรื่องเฉพาะตัวขาดหรือไม่ขาดมันอยู่ที่เราทำไม่ใช่คนอื่นว่าเราทำถ้าคนอื่นว่าเราทำก็จบกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคล้ายๆกับเรื่องหวานมันเก็บอย่างที่ว่าเนี่ยเรากินของเค็มเราก็เค็มเอ ง, เ ร, องเรากินของหวานเราก็หวานเองไงนะไม่มีใครไป มีส่วนที่จะบอกอย่างนั้นอย่างนี้ได้หนึ่งสัตว์นะมีชีวิตสองเราต้องรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสมเราตั้งจิตคิดจะฆ่าสี่ต้องใช้ความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งจะสั่งจะท้ายจะหยิบจะกว้างจะปาจะอะไรก็ตามนะมันก็เยอะแยะวิธีทำให้ตายแต่หมายความมันต้องเกิดขึ้นจากความพยายามตามที่เราคิดตอนเราคิดที่จะฆ่านะตอนเราคิดจะฆ่า เพราะงั้นเวลาเช่นสมมุติเราพยาบาลคนป่วยคนป่วยเกิดช็อกเกิดชักขึ้นมาเราตกใจหยิบยาผิดยาถูกหยิบยาผิดโครมเดียวคนป่วยตายเลยเราต้องการจะช่วยนะเราต้องการช่วยเราไม่ต้องการจะฆ่าเพราะงั้นในแง่วินัยนี้ไม่ปราบประามกฎหมายอาจจะถือว่าทําให้คนตายโดยประมาทแต่ก็ไม่ใช่เจตนาฆ่าให้ตายโทษก็อาจจะมีบ้างเล็กเ ล, กเลก็น้อยน้อย เห็นไหมเงื่อนไขตัวนี้มันจะไปอยู่ตรงอื่นอีกเป็นแอนด์นมากว่าเราต้องจงใจทําเองจึงจะเป็นความผิดไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราแล้วเราจะเป็นความผิดเพราะเป็นสินของเราเองนะสินของเราไปสวดคล้องเรื่องสอดคล้องเรื่องกรรมเน้นนะฮะใครทํากรรมอะไรว่าจะดีชั่วก็ตามก็เป็นวุฒิผลกันนั้นหมายความว่าใครทําก็นั่นก็รับผิดมันสวดคล้องกับกรรมผลของกรรมและการทรี่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของ มันสอดคล้องกันหมดอะถ้าเราอย่าไปยุ่งเราพุทธเจ้าท่านนั่นนะ่ะพุทธเจ้าท่านว่าไว้ยังไงเราว่าอย่างนั้นแล้วมันจะสอดรับกันหมดอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเรียกว่าบางอย่างก็เป็นปัจจัยของกันอะไกันแล้วสัตว์นั้นต้องตายต้องตายด้วยความพยายามนั้นทีนี้ถ้าไม่ตายมันก็มีทําให้เกิดอาการเขาเรียกว่าสินขาดสินทลุสินด่างสินพร้ออย่างที่ว่าเม่กี้นี่นะยกตัวอย่างในศินข้อปนานิบนัติสมมุทาขาดก็คือครบห้าข้อนี้ ห, ห้าขาอนี้ถือว่าขาดนะฮะทีนี้บางชีนี่มันไม่ขาดองค์ทีห้านะเราเราฆ่าไปจริงแต่สัตว์ไม่ตายจะถือว่าขาดศีลไม่ได้แต่ถือว่าไม่ผิดศีลไม่ได้ท่านถือว่าศีลตรงเนี้เป็นขาดศีลแล้วรุ่ ม, มันก็พลาทะลุละนะก็เสื่อมบุญฆ่าลงไปทีนี้บางชีเนี่ยอะไรสมมติว่าต้องการจะตบยุงและตบผิด สัตว์ยุงมีชีวิตเรารู้มีชีวิตตั้งกิจกิดจะฆ่าทำความพยายามจะฆ่าแล้วก็ตกลงไปเลยแต่ตกผิดเห็นไหมตกผิดก็เรียกว่าตถะเจตนาเจตนาเกิดจากโทสะมีจิตคุดมัวสมองแล้วถ้าตายตัวนั้นตกนรกแล้วเพราะมันตายด้วยโทสะเห็นนะฮะท่านก็ถือว่าเป็นศีลด่างทีนี้บางทีสัตว์มีชีวิตเรารู้เป็นมีชีวิตตั้งกิจกิดจะฆ่าทำความพยายามจะฆ่า เงื้อมือแล้วนะเงื้อมือแล้วจะตกเลยก็ลดมือไม่ได้ตกแต่ว่าจิตโทรศัมันขึ้นแล้วโทรศัประหลอดมันขึ้นแล้วโทรศัขึ้นครอบนาจิตแล้วอย่างน้อยระดับหนึ่งแม้มันจะลดลงไปนะีมันเป็นมโนุษย์ทุจริตเห็นวะเราจะเห็นว่าตรงนี้อยู่ที่กุศลกรรมบดอกุศลกรรมบดเป็นเกิดโทรศัคิดประทุษร้ายต่อชีวิตคนอื่นสัตอื่นก็ถือว่า สินพลอยพลอยไปจางไปแกล้กลกับผ้ามันจางไปไม่สวยมีสีตรงเนึงมันเกิดจางไปราคามันก็ตกนั่นคือความละเอียดประณีตความอีประณีตในการรักษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจเราให้มีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นนะฮนะแม้แต่กิเลสประเภทตรงนี้ก็คือโทสะยกตัวอย่างสักครู่นีคือ ศูนส์แต่ว่าบางชีเนี่ยเราเราจะเห็นในในวินัยของพระเนี่ยเห็นในชาติมากเลยพระนี่ว่าจีบภิกษุก็ปราจิตีเงื้อมือจะตีก็ปราจิตีนะแล้วก็มองด้วยความอาคตามารายนะก็ถือว่าปราบบาปปรบาบบัปทุกข์ปราบบาปทุกข์หมายความว่าต้องคุมตัวจิตกายวาจาใจให้ประสานสอดคล้องกันใจเธอไม่โกรธวาจาเธอต้องไม่แสดงความโกรธ กายตือต้องมาแสดงความโกรธใบหน้าท่าทางแววตาตือต้องมาแสดงความโกรธถ้ายังแสดงก็ยังถือว่าตรงเนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ในชั้นอะไรในชั้นศีลนิพนธิชั้นศีลบันนะิตนะเนี่ยเป็นระดับศีลนิพนธิเพราะงั้นท่นานรัาศีนจึงเข้าถึงใจอุโบสถแปลว่าเข้าอยู่นะอุโบสถที่ยิงว่าแปลว่าเข้าอยู่ แต่หมายความว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วคือใจเราอยู่ในกรอบของสีต ร, ตรงนั้นกรอบของสีที่ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วเราก็จะสัมผัสตัวนั้นเองคือความปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตรายแต่พอดีเรื่องยังยาวนะฮะก็สมมาิวันนี้ก็ต้องขอหยุิไว้ใยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูญณาในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านคือ